ใครรู้สึกว่าธรรมะยากไปบ้างไหมเรียนหลักง่ายๆนะเราเรียนเรื่องตัวเราเองค่อยๆแยกแยะลงมานะในร่างกายในจิตใจถ้าเรียนจบหลักสูตรนะเราจะสามารถอยู่กับโลกนะแบบไม่มีความทุกข์งันเป้าหมายวัตถุประสงค์จริงๆนะเรียนไปแล้วพ้นทุกข์ไม่ใช่เรียนให้ทุกข์มากขึ้นบางคนเรียนแล้วทุกข์นะเรียน ทำไงจะพ้นทุกได้ความทุกมันเกิดจากใจเราเข้าไปยึดถือยึดถือสิ่งที่เป็นตัวเราเองก่อนแล้วก็ยึดถือสิ่งที่เป็นของเราแล้วก็ยึดกว้างออกไปเรื่อยๆยึดเป็นโลกเป็นอะไรยึดไปทั่วๆขยายความเป็นเจ้าของออกไปเรื่อยๆทำไมเรายึดในกายในใจหรือยึดของภายนอกเราเห็นว่ามันนำความสุขมาให้ได้เป็นของดีของวิเศษ ถ้ามไรเราเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนะอย่าว่าแต่ของภายนอกเลยกระทั่งในกายในใจของเราเองนี่เองมีแต่ทุกข์นะไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจะค่อยคลายความยึดถือลองการที่เห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่แกล้งเห็นไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่สะกดจิตแต่ความจริงมันเป็นทุกข์อยู่แล้วไม่ใช่ศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายบางคนว่าพระพุทธเจ้ามองโลกแง่ร้าย สอนว่าขันห้าเป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านมองตามความเป็นจริงท่านไม่ได้มองแง่ร้ายนะส่วนคนซึ่งยอมรับความจริงไม่ได้ก็ไปฝันฝันเอาว่าขันห้าเป็นสุขนะงั้นเราไม่ได้เรียนแล้วสะกดจิตนะสะกดจิตตัวเองน้อมให้เชื่อว่าขันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่แต่เรียนความจริงของมันนะจนวันหนึ่งมันแจ่มแจ้งกับใจของเราเองมีแต่ทุกข์นะ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะนี่ภายในของเราเองนะส่วนภายนอกเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่ทุกขนะ์ภาวนาเข้าจริงๆถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกนะีไม่ว่าจะหย่างเท้าลงไปตรงไหนนะที่นั่นก็ทุกข์ทั้ง3โล ก, กาธาตุมีแต่ทุกข์หมดเลยนะเนี่ยถ้าปัญญามันเห็นแจ้งนะขันห้าภายในของเรานี้ยก็ทุกข์นะโลกภายนอกก็มีแต่ทุกข์ ความดิ้นรนที่จะแสวงหาความสุขก็จะหมดไปความดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ก็จะหมดไปเมื่อความดิ้นรนหมดไปเนี่ยนะใจจะเข้าสู่ความสงบสันติใจทุกวันนี้ไม่สงบไม่สันติมันดิ้นที่มันดิ้นมันดิ้นไปทำไรมันดิ้นไปหาความสุกดิ้นหนีความทุกข์เรื่อยๆไปทำไมมันยังเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์มันคิดว่ามีอยู่คิดว่ามีที่ใดที่หนึ่งที่เราจะมีความสุขนิรันดร คิดว่ากายนี้ใจนี้นะถ้าฝึกให้ดีแล้วจะมีความสุขเป็นตรงข้ามเลยนะเพาจริงๆแล้วความสุขไม่มีงั้นไม่ใช่ว่ามองโลกแง่ร้ายนี่แหละมองตามความเป็นจริงนะแต่การจะมองด้วยความเป็นจริงได้นะต้องมองแบบผู้สังเกตการณ์ทำตัวเป็นผู้สังเกตการเหมือนเราทํางานวิจัยสักอย่างเราอยากรู้ความจริงเราต้องไม่เข้าไปแทรกแซงอย่าไปบิดเบือนความจริงงั้นเวลารู้กายนะไม่บิดเบือนกาย รู้จิตใจก็ไม่บิดเบือนจิตใจดูว่าจริงๆเป็นไงจริงจริงมันสุขหรือมันทุกข์นะจริงๆมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไม่ต้องไปคิดนําด้วยซ้ําไปนะแต่บางคนนั้อาศัยคิดนําถ้าใจมันไม่ยอมเดินปัญญาแต่ในขั้นของวิปัสสนานละ้วไม่ใช่เรื่องคิดนะเป็นเรื่องเข้าไปรู้ความจริงพระเจ้าท่านถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายทำไมเบื่อละ่ะก็มีแต่ทุกข์ล้นๆ้นเลยในขันห้าในกายในใจในรูปในานามมีแต่ทุกข์ล้นๆทําไมไม่น่าเบื่อ ทุกวันนี้ไม่เบื่อยังรักกายยังรักใจอยู่เพราะเห็นว่ามันนําความสุขมาให้ได้อยู่ถ้าสติปัญญาแก่รอบนะเห็นว่ามันทุกล้นๆ้นเลยมันน่าเบื่อเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นําความสุขมาให้เราก็รักมันนะเห็นตามีลูกตาตานําความสุขมาให้ทําให้เห็นรูปสวยเราก็รักตา มีหูทําให้เราได้ยินเสียงที่ดีเสียงที่เพราะเสียงยกย่องสรรเสริญอะไรเงี้ยเราก็รักหูมีจมูกเราได้ดมดอกไม้หอมๆว่าจริงดมเหม็นๆ ม, ม, มากกว่าหอมอีกยิ่งคนกรุงเทพนะดมความเหม็นอยู่ตลอดเวลาเลยเหม็นจนไม่เหม็นนะ่ะถ้าอยู่ห่างๆกรุงเทพนะมองเข้าไปทางกรุงเทพนะเหมือนคนกรุงเทพอยู่ในกระทะนะกระทะครอบไว้นะดำดำดำปิดผีเลยหายใจเข้าไปได้ไงแต่เมื่อก่อนเราก็หายใจ มันจําเป็นต้องหายใจนี่เนาะนี่มีจมูกนะมีลิ้นแ่้วก็จะนําความสุขให้ น, ะนเรารักลิ้นเพราะมันนาความสุขมาให้นะเรารักร่างกายเพราะมันนาความสุขมาให้เรารักจิตใจเพราะมีความสนุกสนานร่าเริงเกิดขึ้นในใจได้เนี่ยแต่ถ้าสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจริงๆนะจะเห็นเลยมีตาก็ทุกข์เพราะตานะมีหูก็ทุกข์เพราะหูมีจมูกก็ทุกข์เพราะจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็ทุกข์เพราะกายเพราะใจนะ เป็นอย่างนั้นหมดเลยมีตาก็ไม่ใช่เห็นแต่รูปสวยก็เห็นของไม่ดีด้วยมีหูก็ต้องได้ยินเสียงที่ไม่ดีด้วยมีจมูกก็ได้กลิ่นไม่ดีไม่มีที่ว่าดีอย่างเดียวนี่พอดูไปโอ้ไปหารูปสวยมาดูดูไม่นานใจเราเองละเบื่อหรือดูไม่นานรูปมันก็ไม่สวยอย่างหาแฟนสักคนนะเอาสะสุดสวยสุดหล่อเลยไม่นานเลยมันไม่สวยไม่หล่อเหมือนเดิมะมันไม่เที่ยงนร บุษาหาแทบตายเลยที่แท้ไม่ได้เรื่องเลยนะสุดท้ายเนี่ยเที่ยวหาไปนะหารูปที่ถูก อ, อกถูกใจแล้วมันก็ไม่ถูกใจไม่ถูกใจด้วยสองเหตุผลเหตุผลหนึ่งตัวรูปนั้นเองก็แปรปรวนนะเช่นแก่ไปไม่สวยละนะอันที่สองเหตุผลที่สองคือใจเราเองก็เบื่อเสพอารมณ์ซ้ำซากก็เบื่อนะไม่เหมือนเสพเฮโรอีนเสพไปเรื่อยแล้วเสพอารมณ์ธรรมดาธรรมดานี่เห็นซ้ำซากทุกวันก็เบื่อ งันเอาเข้าจริงนะั่นเที่ยวแสวงหาความสุขนะเหมือนเหมือนจะได้แล้วก็หลุดมือไปทุกครั้งไปเนะนี่ยภาวนามากเข้ามากเข้าเห็นไม่มีสาระสักอย่างเลยความสุขก็ไม่ใช่ของมีสาระนะความทุกข์ก็ไม่ได้มีสาระหนีมันก็ไม่ได้เกลียดมันเท่าไหร่มันก็มานะห้ามมันไม่ฟังซะอีกไม่ค่อยฝึกนะฝึกไปเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษทั้งหมดเลยไม่เห็นจะดีจะวิเศษตรงไหน การที่เราเรียนรู้โลกตามความเป็นจริงนี่ได้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานความจริงของโลกความจริงของรูปธรรมนามธรรมคือไตรลักษณนะ์คือไตรลักษณ์แล้วเราเรียนลงในความจริงนะดูของจริงดูกายดูใจพอเห็นความจริงเมื่อไหร่ก็จะคลายความยึดถือออกไปน่าเบือ่อไม่ใช่ของดีคลายออกไปแล้วใจก็ไม่ดิ้นรนไปพอไม่ยึดในกายนะกายนี้จะแก่กายนี้จะเจ็บกายนี้จะตายไม่เศร้าโศกนะ จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักนะก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจจะต้องเจอความไม่สมปรารถนาก็ารู้สึกนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาเนั้นใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่ทุกข์โลกนั้นเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ใจที่ฝึกดีแล้วไม่ทุกข์ไปกับโลกนะนี่เราฝึกอย่างนี้นะวันหนึ่งเราไม่ทุกข์หรอกเราเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ไปดัดแปลงนะักปฏิบัติชอบดัดแปลง จะหายใจก็หายใจไม่เหมือนธรรมดาจะเดินก็เดินผิดธรรมดาจะทำอะไรก็ต้องไม่เหมือนคนธรรมดาต้องเหนือธรรมดาตลอดเลยนะนั้นเราดูของจริงลงไปอย่าไปดัดแปลงมันอย่างจิตเนี่ยกลับกรอกธรรมชาติของจิตกลับกรอกยอกย้อนว่องไวอย่าไปทำให้มันนิ่งๆไม่กลับกรอกแหมคงที่ดูมาสามวันแล้วคงที่สว่างสบายโล่งอยนั้นอันนั้นไม่ใช่ความจริงของมัน ความจริงของมันคือเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลาเลยแสวงหารมหิวอยู่ตลอดเวลามีตันหาเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยวุ่นวายในดูให้เห็นความจริงอย่าไปดัดแปลงมั น, นแล้วมันจะเบื่อพอเบื่อแล้วมันจะคลายความยึดถือไม่ใช่ของดีอย่างที่เคยคิดแล้วพอคลายความยึดถือไปจิตก็หลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรก็หลุดพ้นจากความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมสมมุตินะว่าขันห้าเนี่ยเหมือนกระติกใบนี้รู้สึกดีดีใช่ไหม กระติกนี้สวยหวงไม่ปล่อยถือไว้ทั้งวันหนักไหมถือก็ติกหนักนะถือฝาแก้วนี้หนักไหมเบากว่าใช่ไหมเบากว่าแต่หนักไหมถือไปเรื่อยๆอะคิดดูนะเราแบกขันห้าไว้ทั้งวันทั้งคืนไม่เคยปล่อยเลยมันจะหนักแค่ไหนนะแค่ถือยาดอมันเดียวถือทั้งวันก็เบื่อนะหนักนะภาระนะเนี่ยดูลงไปนะดูลงไป มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมีแต่ทุกข์โลกนี้เป็นทุกข์ขันท่าเป็นทุกข์นะไปหยิบฉวยทุกข์ขึ้นมาก็เป็นภาระทางใจมีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งบอกว่าขันทั้งห้าเป็นภาระเป็นของหนักคนทั้งหลายเนี่ยแบกของหนักไปเรื่อยๆนะไม่พ้นจากทุกข์หรอกพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์วางของหนักลงแล้วนะแล้วก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะท่านก็เลยพ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์คำว่าพ้นจากทุกข์นึกออกไหมพ้นจากมันทุกข์มันก็อยู่ส่วนมันนะแต่าพ้นนนจกมัะ เพราะการภาวนาเนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นพระอราหันต์ที่ยังครองขันอยู่เนี่ยจิตของท่านพ้นทุกนะแต่ขันยังทุกอยู่นะในวันที่สิ้นขันนะถือใช้คําว่าดับทุกจริงๆรงนะิดับสนิทแห่งทุกคือความดับของขันนะส่วนภาวนาตอนบรรลุพระอราหันต์เนี่ยพ้นจากทุกเพราไม่หยิบไม่หยิบเฉ ย, ยทุกขึ้นมาไม่หยิบเวยขันขึ้นมาแม้ธรรมะแต่ละคําแต่ละคํามีความหมายเท่านั้นไม่ใช่ง่ายๆนะต้องค่อยๆเรียน ค่อยสังเกตค่อยภาวนาไปวันหนึ่งก็แจ้งรู้แจ้งแล้วต้องมีแต่ความสุขนะคนชมก็เฉยเฉยคนด่าก็เฉยๆฉยบางทีก็ไม่เฉยคนชมก็มีความสุขคนด่าก็มีความสุขนะเป็นอย่างนั้นนะแปลก <c oughs> ได้ฝึกเอาธรรมะเป็ของกลางไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งพวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับธรรมะได้รับประโยชน์จากธรรมะเท่าเทียมกันทุกคนเลยนะ อยู่ที่เรานขนไฝไหม้เราจะเอาโลกนขนายไปทางโลกมันก็ได้โลกนะนขนายในทางธรรมะเรียนรู้ความจริงของโลกเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราก็จะได้ธรรมะคนในโลกจริงธรรมะโลกถึงวุ่นวายมีแต่ทุกขนะ์ถ้าใจเรามีธรรมะนะโลกก็วุ่นวายตามภาษาของโลกนั่นแหลนะไม่ใช่ว่าเราบรรลุพระอราหันต์แล้วจะไม่ตีกันชาวโลกไม่ตีกันไม่ใช่มันก็ตีกันตามธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายมันเบียดเบียนกันตลอดเวลา ผลประโยชน์ขัดกันก็สัตว์กันนะความคิดเห็นขัดกันก็ตีกันมนุษย์ทั้งหลายนะผลประโยชน์ขัดกันก็ตีกันนะความเห็นขัดกันก็ตีกันสัตว์นี่ไม่ค่อยมีเรื่องความเห็นสัตว์นี่เป็นเรื่องผลประโยชน์ล้นๆ้นเลยแย่งตัวเมียก็ตีกันเดี๋ยวพวกไก่พวกอะไรแย่งเงินเขี่ยข้าวนะแย่งข้าวกันกินแลตีกันจะไม่มาคิดนะว่าจะตั้งตัวเป็นจักรพรรดิไก่อะไรอย่างนี้ นะคลองอาณาเขตสวนสันติธรรมแล้วจะต้องขยายดินแดนออกไปคลองป่ารอบนี้สัตว์ไม่คิดมากอะนะมนุษย์นี่แหละหาเรื่องทุกข์มากกว่าสัตว์อีกไม่รู้ฉลาดหรือโง่อะมันนะแต่สัตว์ไม่ได้เก่งนะคือมันคิดได้แค่นั้นมันก็ทุกข์แค่นั้นเพราะเราคิดได้เยอะกว่าเลยทุกข์ได้เยอะกว่าสัตว์นี่นะถ้าเราไม่ไปตีมันนะมันยังมีข้าวกินอยู่อนะไรเนี่ยมีตัวเมียให้มันนะมันพอใจคนไม่พอใจ ห่วงวันข้างหน้าวันนี้มีแล้วพรุ่งนี้จะมีเปล่าปีหน้าจะมีไหมตอนแก่ๆจะมีไหมไปไกลเลยคิดนําไปเพราะนั้นหาความทุกข์ได้เยอะประณีตแนบเนียนแต่ไม่ใช่ว่าเลววัดสัตว์นะสัตว์ก็ได้อยู่แค่นี้เองตลอดไปแต่คนนั้นสามารถพัฒนาตัวเองได้ไม่อยือไปฟังหลวงพ่อพูดว่าสัตว์มันทุกข์น้อยๆคนทุกข์เยอะๆอยากเป็นสัตว์ไม่ใช่นะหลวงพ่อเคยเจอมีเพื่อนคนหนึ่งนะนั่บุญนะมันอธิษฐานขอเกิดเป็นหมาฝรั่ง โอ้เราดูแล้วมันอัศจรรย์จริงเลยวะบอกทําไมสบายถึงเวลาก็มีคนอาบน้ําให้มีคนหาข้าวให้กินไม่ต้องหากินเองคิดแค่นี้เองนะมันไม่ได้พัฒนาจิตวิญญาณเป็นมนุษย์นะมีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณเพราะงั้นเลยเหนือกว่าสัตว์แต่ถ้ามนุษย์ไม่ยอมพัฒนาจิตวิญญาณไม่มีอะไรเหนือกว่าสัตว์นะทุกมากกว่าสัตว์เปล่ า, เลาๆเลยเสียเวลานะอ้าวต่อไปส่งกันบ้าน กรรมนมัสการหลวงพ่อค่ะอืคือรู้สึกเห็นจิตตัวเองเนี่ยแอบไปว่าคนอื่นแอบอะไรนะไปว่าคนอื่นนะได้ยินว่าจิตมันวางคนอื่นอไปว่าเหมือนกันนินทาเลยอ๋อไปนินทาจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยเสร็จแล้วนี่หนูใสกในวันนี้จะสมาธิไม่ดีก็เข้าไปสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จก็กลับมานั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จ บทที่ส่วนมนก็แวบเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวก็แวบเข้ามาอีกไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแวบบทส่วนมนต์ะคะ่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยฉีดมันตรึกขึ้นมาเห็นไหมมันคิดได้เองอหมนไหดูลงไปสีทุกอย่างแสดงไตรลักษณ อ, อยู่ๆบทส่วนมนก็ผุดขึ้นมาไม่ใช่เราขึ้นมาได้เองดูลงไปอย่างนี้นะทุกอย่างไม่มีเราอะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะดูเป็นจะเห็นไตรลักษ กับนักสการเวลาที่เรารู้สึกว่ามีมกําลังนี่คือตอนที่จิตตั้งมั่นนเปล่าคะเห<ช>มือนกันไหมคะจิตมันมีเรี่ยวมีแรงตั้งมัน่นใช่ใช่ไหมจิตงั้นสำคัญนะภาวานาถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นจนถึงขนาดว่ามันเป็นผู้รู้ผู้ดนะูรู้กายรู้ใจโดยอัตโนมัติไม่ถลําลงไปเพ่งไปจ้องนะถ้าจิตไม่ได้ขนาดนี้ไม่เดินปัญญา จ, จริงนะงั้นต้องฝึกนะการภาวานาเลยมีสองส่วนส่วนหนึ่งฝึกจิต นะให้มีเร่็วมีแรงให้มีความตั้งมั่นส่วนที่สองฝึกจิตให้เกิดความเฉลียวฉลาดมีปัญญาฝึกจิตให้ตั้งมั่นฝึกจิตให้มีปัญญาการภาวนานเลยมีสองส่วนฝึกจิตให้ตั้งมั่นเรียกว่าสมถกรรมฐานฝึกจิตให้มีปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียว จิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูในอารมณ์นั้นนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อยู่ถาหักเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะอย่างนี้เป็นสมาธิที่ดีสมาธิที่ไม่ดีก็คือเป็รู้ลมหายใจจิตไหลไปนอนอยู่กับลมหายใจไปเพลิอนอยู่กับลมนะมีโลภแทรกเข้ามามีโมหะแทรกเข้ามาเป็นสมาธิที่อย่างนี้ไปพรมโลกได้นะแต่ว่าไม่ไปนิพพานก็ไม่ไปเดินปัญญามันสงบอย่างเดียว นั้นจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะฝึกไปวิธีฝึกก็คือให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปดูจิตไหลไปฟังจิตไหลไปคิดจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่มือจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตเคลื่อนไปปุ๊บรู้ทันรู้ทันนะจิตก็ค่อยตั้งขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเรียกว่าเอาละเราฝึกความตั้งมั่นสําเร็จแล้วต่อไปเราจะฝึกให้เดินปัญญา แล้วก็ดูลงไปเลยร่างกายนี้ของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากนะเนี่ยเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูกายก็ของถูกรู้ถูกดูจะเห็นทันทีเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะกายเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้เห็นทันทีเห็นเวทนาตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สังขารตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตเองก็เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งจิตก็เดี๋ยวไปเกิดที่ตาระดับจิตไปเกิดที่หูระดับจะเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจระดับตัวจิตเองก็แปรปรวนตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าทําสมาธินะมันจะเหมือนบังคับได้สงบอยู่ได้นานๆทําแบบยิ่งพวกมิจฉาสมาธินะสงบได้เป็นกลับกับเลยอยู่นัน้นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านมานึกถึงเรานะสมัยเราเข้าฌานเข้าอรูปไปแล้ว ตายไปนะโดยทรงอรูปประชันไปเกิดเป็นอรูปประพลมพระพุทธเจ้าพระสีอานมาตรัสรู้ท่านนึกถึงเราไหมเคยเจอกันสมัยโน้นจะไปโปลดมันหน่อยน่อยมันเข้าอารูปไปแล้วท่านจะอุทานว่าโถพลาดจากคุณอันใหญ่ได้แต่ของเล็กได้ไม่ได้ของใหญ่ไม่ได้นิพพานแนะ้วงั้นเราไม่น้อมจิตให้นิ่งว่างซึมกระเทืออยู่นะนิ่งว่างสบายเพลินไม่เอา ก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยเยเห็นรูปเห็นนามมันทํางานไม่มีเราไปด้วยนะพอเห็นความจริงแล้วมันมีแต่ทุกข์นะไม่เห็นมีเราตรงไหนเลยมีแต่ก้อนทุกข์ล้วนๆเลยนะใจก็วางวางรูปวางนามนะเชิญนิพพานนี่เส้นทางเดินก็เดินกันอย่างนี้นะเอาต่อไปเชิญยกมือ109เชิญร้อกากก นวันศการหลวงพ่อครับก็เคยมาส่งการบ้านหลวงพ่อหลายครั้งนะครับ<อ>แล้วก็คือการบ้านหลักที่ที่หลวงพ่อเคยให้ไว้ตั้งแต่ตอนที่มาครั้งแรกก็คือว่ า, าให้เหมือนกับเลืมลื ม, ลมเรื่องการปฏิบัติประสาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนี้ยก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีความรสเสียนไ่มจิตมันไม่เหมือนเดิมครับรู้สึกอย่างว่าตื่นเป็นยังไง <c oughs> ถ้าทําอยู่อย่างเก่ามันไม่ตื่นออก <c oughs> นี่พอตื่นแล้วถัดจากนี้นะถ้าวันไหนมันฟุ้งก็ทําความสงบจะ <c oughs> อยู่กับพุทโธอยู่กับลมอะไรก็ได้นะทำ <c oughs> ความสงบทางที่ดีทําทุกวันแต่แบ่งเวลาไว้ค <c oughs> นะวันหนึ่ง10นาที15นาทีอะไรทําความสงบ <c oughs> นะพอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นเหมือนอย่างตอนนี้นะก็มาดูรูปดูนามัมนทํางานรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เรา <c oughs> มันอยู่ห่างๆแล้วดูออกไหม <c oughs> นะนี่ฝึกไปเรื่อยนะจะเห็นวันหนึ่งไม่มีเรา เห็นจิตเกิดดับหรือยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจครับสังเกตไหมเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดจิตก็รู้ก็ดวงหนึ่งนะจิตคิดก็อีกดวงหนึ่งนะจิตหลงไปเลยก็ดวงหนึ่งเนี่ยดูอย่างนี้น่าจะเห็นจิตมันเกิดดับเคยเห็นจิตไปวิ่งไปที่ตาไหม เคเห็นมันวิ่งมันเหมือนกับออกไปอยู right. right. so so okay. okay. so okay. so ่ที half, right. is, ่วัตถุที่มองใช่มันวิ่งออกไปงั้นแหละครับวิ่งออกไปทางตาวิ่งออกไปทางหูนะแม้จิตที่ไหลออกไปอยู่ทางนู้นกับจิตที่รู้สึกตัวอยู่เนี้ยคนละดวงกันใช่ไหมสลับกันใช่ไหมจิตที่รู้นี่หายไปเกิดจิตที่ไปดูแม้นี่จิตเกิดดับนะแล้ค่อยรู้ค่อยดูไปได้ไปฝึกต่อไปครับขอบคุณครับเบอร์อะไรคนนั้นเบอร์84ดนะอ่ากลาวนามัสการหลวงพ่อครับ ก็ได้มาส่งการบ้านหลวงพ่อระย ะ, ะก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากรูปแบบการทํางานเปลี่ยนจากเดิมต้องใช้ความคิดมากทั้งวันนี้จะค่อนข้า ง, างยินดีด้วยนะที่มีงานทําครับแต่ว่าช่วงตั้งแต่เข้าออฟฟิศจนถึงเลิกนะครับจะไม่จะไม่สามารถเหมือนกับลองดูสิเวลาอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้ทํางานตลอดเวลาหรอรู้สึกไหม มีแวะไปฉี่บ้างไหมมีครับสมัยไม่ดูตัวนะั้นใช่ไหมตอนกินข้าวไหมกินข้าวทําความรู้สึกไปตอนเดินนะสมมติจากโต๊ะนี้จะเดินไปทางโน้นทําความรู้สึกไปแล้วเราเก็บคะแนนเล็กๆน้อยๆครั้งละนาทีสองนาทีนะั้นเราค่อยๆเก็บไปแต่เวลาที่ทํางานเนี่ยเราทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้นะเราก็ไม่ใช่เวลาปฏิบัติธรรมเพราะจ้างเราทํางาน นั้นรเราต้องจดจ่อกับงานต้องคิดเรื่องงานในขณะนั้นไม่ได้ปฏิบัตินะให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับงานมีปัญญาในเรื่องของงานนะแต่ว่าเมื่อไรทํางานไปแล้วกิเลสเกิดรู้ทันว่ามีกิเลสอันนี้เรืงภาวนานะครับค่อยฝึกเอานะครับผมแล้วก็มีวินัยแบ่งเวลาไว้นิดหนึ่งตื่นให้เร็วขึ้นนิดนึงภาวนาในรูปแบบบ้างมันจะทําให้การเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้เข้มแข็งขึ้น นะกิเลสไหลแวบมาเราจะรู้ได้ไวนะแต่ถ้า<ม>เราไม่มีการทำในรูปแบบเลยจะไปเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลยนานๆไปแรงไม่พอหรอกนะนจะดูไม่ชัดนะฝึกเอานะครับผมกราบขอบพระคุณครับเบอร์ <12 7. S 2> ้อยยีสิบเจ็ดรรสการค่ะหลวงพ่อคือปกติไม่ไม่ไม่ได้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อคะ่ะแล้วก็ฟังแต่ซีดีแล้วก็ <ừ> ลองปฏิบัติตามดูนะคะ ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าจะถูกไม่ถูกยังไงนะคะอะไรเกิดขึ้นนะในกายเราคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตสดๆร้อนๆเราคอยรู้สึกนะรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงแค่นั้นก็ถูกแล้วอย่างตอนเนี้ใจไปคิดทราบไหมเมื่อกี้มันไปคิดแวบไปนะพอฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปนะอยากพูดเห็นไหม <c oughs> มีความ <c oughs> อยากเกิดขึ้นมันดันขึ้นที่กลางหน้าอกเลยความอยากนะ เราก็มีสติรู้ทันความอยากเกิดขึ้นอย่างตอนเนี้ยความอยากพูดหายไปรู้สึกไหมเอาลองพูดไปสิมันไม่ได้คืออย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเคยทดลองจับตัวคิดดูนะคะคือก็พ่องยุบบ้างแล้วก็ลมหายใจบ้างแล้วก็พอคิดก็รู้พอคิดก็รู้แต่ครานี้เนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านมากกลายเป็นว่า เหมือนกับคิดคิดแล้วรู้คิดแล้วรู้คิดแล้วรู้ไปเรื่อยๆอ ย, อ ย, ย่างอยอยนี้เนี่ยมันเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยเราต้องหยุดนะดยการทําสมถะให้จิตไปดูท้องผองยุบไม่ต้องไปดูคิดแล้วรู้พอมีเรี่ยวมีแรงนะสงบพอสมควรรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องละนะเวลาที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะเปลี่ยนอารมณ์เร็วจนดูไม่ทนันวุ่นวายทำความสงบเข้ามาก็ทําความสงบนะอารมณ์จะไหลมาช้าๆคราวนี้ดูทันนะนะ แต่ดูไปสักช่วงมันจะค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นในสุดยุ่งดูไม่ทันอีกทําความสงบใหม่ค่ะอย่างเมื่อคืนเนี้ยค่ะคือพอดีเมื่อวานนี้ทํากิจกรรมที่แบบว่าคื อ, ค, อคือไปเล่นเกมมานะคะก็เลยพองค่อนข้างฟุ้งซ่านนิดหนึ่งแล้วพอดีก่อนนอนก็มาลองพองยุบดูนะคะแล้วคือมันก็สงบได้อะค่ะแต่พอเวลานอนเข้าจริงๆเนี่ย มันเหมือนมันก็ไปจับตัวคิดอีกแล้วคิดแล้วก็รู้คิดแล้วก็รู้แล้วภายในชั่วโมงหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แล้วก็นอนไม่หลับอีกจนยามแบบนี้ยะค่ะนะให้ร่างกายมันนอนไปร่างกายยังเหนื่อยให้มันนอนไปนะปกติจิตของคนเราไม่นอนนานหรอกถ้านอนเกินนิดเดียวก็ฝันละนะงั้นมันตื่นรู้สึกตัวมันเห็นสภาวะเกิดดับไปให้มันดูไปแต่ร่างกายก็ให้มันพักต่อ แต่ถ้ามันฟุ้งซ่านตอนที่เรานอนอยู่นะเอามือวางไว้บนท้องแล้วรู้สึกท้องพองยุบไปแล้มันจะไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องไหมคะคือไม่เป็นไรเรารู้ทันว่าจิตไหลเป็นยังไงแล้วมันจะไม่ลงไปแช่หรอกเราก็แค่รู้สึกแค่รู้สึกนะพอมันไหลเข้าไปที่ท้องเราก็รู้ทันมันจะไม่ไปติดเหมือนแต่ ก, ก่อนหรอกเพราะว่าเคยคือทดลองดูนะคะว่าออลองทําสมถธิแบบที่ว่าเ อ, อ พองยุคหรือว่าลมหายใจเนี่ยคะ่ะแล้วมันไปคิดมันไปได้ยินหรือว่าอะไรเนี่ยก็ก็คือพยายามรู้ตามรู้ตามเพื่อให้มันเกิดสมาธิแต่ไปไปมามาคืออย่างที่บอกว่ามันถ้าอยากใ ห, ให้เกิดสมาธินะไม่ใช่รู้ไปโน่นนะออรู้รู้อย่างเนี้ยคะ่ะรู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้ง รู้ว่าจิตจะไปที่คิดน ะ, ค, ะ, ะคิดคิดแล้วก็รู้คิดแล้วก็รู้แล้ว ม, นมันนั่นมันไหลไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเห็นมันเคลื่อนไปคิดเนะี่ยจิตจะตั้งขึ้นมานะของคนมันดูช้าไปนี้นะมันรอจมันไปรู้เรื่องที่คิดแล้วนะไปรู้ว่าคิดนั้นเคยเคยเห็นช่วงที่มันเป็นหมอกหมอกหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้นี่คือพยายามดูให้ได้แบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สังเกตไหมจิตเราวิ่งได้ รู้ว่ามันวิ่งนะไม่ใช่รอวิ่งแล้วไปรู้ว่ามันไปรู้อะไรทํำยังไงให้มันเร็วขึ้นได้คะค่อยๆสังเกตเอาจิตเราจะวิ่งตลอดเวลางั้นเรามาดูท้องผ่องยุบก็ได้ดูท้องผ่องยุบอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไหลไปที่อื่นรู้ทันไหลไปดูรู้ทันรู้ว่าไหลรู้ว่าเคลื่อนตรงที่รู้ว่าเคลื่อนเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่เคลื่อนหรอกแล้วน่าจะได้สมาธิขึ้นมาก็คือตอนนี้ขาดกําลังใช่ไหมคะใช่ จิตไม่ตั้งมัน่นนะรุะเบอร์สี่ิบคุณธรรมมรรการครับออตอนนี้รู้สึกเห็นเห็นกายมันหายใจกับใจเต้นรู้สึกว่ามันเด่นขึ้นมาแบบนี้ถือว่าใจตั้งมั่นไหมครับสังเกตแม้ใจร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันไหมรู้สึกครับถ้าแยกกันใช้ได้นะครับแล้วบางทีก็รู้สึก เผอไปคิดบ้างอืลักษณะนี้คือตัวเองนั่งสมาธิค่อนข้างบ่อยแล้วนั่งได้นานเนี่ยครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคําว่าใจตั้งมั่นเนี่ยเป็นยังไงลองนั่งซินั่งเลยใช่ไหมนั่งเลยรเรียนเราเรียนจากของจริงๆนะอนั่งไปจิตมันไหลไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเปล่าจิตมันไม่นิ่งอ่ ตัวนี้ดูออกไหมดูความเคลื่อนไปของมันได้ไหมถ้าดูจิตไม่ออกนะคุณดูกายไว้เลยนะนั่งดูร่างกายเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายหายใจคือคุณสมาธิทำมาเยอะนะงั้นดูกายไว้จะดูง่ายกว่าให้ดูจิตมันจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูดูยากนะเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นไหมรู้สึกไหมดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วกิเลสแทรกเข้ามาเป็นครั้งคราวก็ค่อยรู้เอานะ รู้สึกกายไปจิตเป็นคนดูฝึกยิบเรื่อยๆนะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ฝึกมาแบบนี้ด้วยซ้ำไปนะแต่เวลานั่งสมาธินะอย่าให้เคลิมเคลิมนั่งแล้วด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกนี้บ่อยๆใ น, นสุดใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งที่ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูโนะลบุตรเทศท่านสอนสมาธิไว้สองอย่าง อย่างหนึ่งท่านบัญญัติเรียกว่าฌานอย่างหนึ่งท่านบัญญัติเรียกว่าสมาธิแต่คำว่าฌานกับสมาธิของท่านไม่ตรงกับปริยัตินะสมาธิก็คือใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูฌานเนี่ยใจมันไหลเข้าไปแนบอยู่กับอารมณ์ไปเคลิ้มอยู่กับอารมณ์ไปรวมอยู่กับอารมณ์งั้นถ้าเราไปเคลิ้มอยู่กับอารมณ์เนี่ยจะไม่เดินตัญญานะแล้วเราค่อยคอยฝึกอย่างตอนเนี้ใจไปคิดทราบไหมอันะนี้เริ่มมองเห็นแนละ้ใจไปคิดรู้ทันนะงั้นเราคอยคอยรู้สึกกายนั่งสมาธิแต่ไม่เอาเคลิม น่าสมาธิก็แค่รู้สึกกายนี้หายใจอยู่ใจเป็นคนรู้สึกนะฝึกอย่างนี้นะเบอร์้อยห้าสิบสามสการนักหลวงพ่อครับ เ, เพิ่งเริ่มปฏิบัติครับอ่านหนังสือแล้วก็ฟังซีดีมาบ้างนะครับ อ, อ, อยากเรียนถามว่าผมเนี่ยควรจะมีวิหารทำด้วยการดูกายหรือดูจิตดีครับอ้าวถนัดอะไรก็นั้นแหละนะถนัดอะไรล่ะ ตอนนี้ยังคิดว่าน่าจะดูกายนะครับดูกายนะาอายุเท่าไหร่ตอนนี้เป็นความลับไหมไม่ไม่เป็นความลับครับ48่สแล้วครับ48ดูกายไว้ได้ละ ค, คือคนนี่นะ48ขึ้นนละ้นะกี่รอบเขาเรียก อ, อะไรสี่รอบก็ <c oughs> นะจะขึ้นรอบที่หเนี่ยนะมันเริ่มในวัยเริ่มเสื่อมลงละนะตอนนี้ถ้าไปดูจิตอยู่ๆก็นั่งดูจิตไปรวดเดียวนะจะเคลิง่ายนะพยายามรู้สึกกายไว้ยิ่งอายุเยอะขึ้นนะพยายามรู้สึกกายให้เยอะเลย มันจะกระตุ้นความรู้สึกตัวไม่ให้เคลิมเนะีย่ยเห็นแม่ร่างกายพยักหน้าเนะมือคุณรู้สึกกายนะแล้วจะเห็นจิตชัดหลวงพ่อบวชอายุ48นะ่สิบแปแต่ว่าเราดูจิตมาจนชํานาญตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุ29ก็มาดูจิตต่อได้แต่ว่าก็ต้องใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวมาช่วยนั่งนะขยับมีพัดอยู่อันนึงนะอยู่ที่บางการนะนั่งพัด หน้าร้อนก็สบายภาวนาสบายนะพอถึงหน้าหนาวนะโอ้มันสยองนะแล้วขยับขยับขยับพอถึงหน้าหนาวบางทีพลาดอย่างนี้นะขอให้ได้เคลื่อนไหวนะอยากกระตุน้นความรู้สึกตัวได้ดีกว่านิ่งๆ น, นะมาเจ็ดสิบแปดกับนมัส ก, การหลวงพ่อครับพ่ อ, อ, อยังไม่เคยส่งการบ้านเลยครับก็บฟังซีดี ส่วนใหญ่จะฟังซีดีครับแล้วก็เดินจงกรมที่บ้านตามเป็นครั้งคราวครับก็อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับว่าควรจะปฏิบัติยังไงดีะครับเพราะว่าบางทีมันยังเพ่งเพ่งอย่างเงี้ยครับเพ่งก็รูเอานะคลายจากการเพ่งแลรู้สึกตัวแล้วก็กระตุ้นความรู้สึกให้มันกระฉับกระเฉงนะถ้าดูกายจะดีกว่าละครับถ้าติดเพ่งอยู่เนี้ยดูกายไว้จะดูง่ายปว่าจิตนะครับ แต่สุดท้ายมันก็รู้ทั้งกายทั้งจิตนะแต่ว่าแต่ละคนในขณะนี้ควรจะรู้อะไรเราก็รู้อันนั้นแหละคนที่ทําสมาธิมามากๆเนี่ยจิตจะนิ่งไปดูจิตจะไปเพ่งจิตแล้วก็ว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่อ่ะนะเรารู้สึกอยู่ในกายเห็นร่างกายพ ย, ยักหน้าไหมก็บางทีก็รู้สึกบางทีก็ไม่รู้สึกไม่เป็นไรนะอย่างรู้สึกบ้างแต่ของคุณมันจะถนัดดูจิตหรือเปล่าก็เหมือน ถ้าเกิดบางทีมันดูจิตไปแล้วมันก็จะอึดอัดบางทีะครับก็เลยต้องมาขยับมืออะไรเงี้ยแทนที่อึดอัดนะเพราะจงใจดูนะความโลภมันเกิดขึ้นก่อนอยากดูครับก็อยากดูจงใจดูกลายเป็นการไปเพ่งไปจ้องไปดักดูว่าจะมีอะไรให้ดูดักดูปุ๊บนะจะแน่นปั๊บเลยนะที่แน่นขึ้นมาเพราะไปดักดูดักดูเพราะโลภอยากดูถ้าอยากดูรู้ว่าอยากนะมันก็ไม่ต้องไปเพ่งแล้ว เราไม่ทราบว่าตอนนี้เดินมาถูกทางหรือเปล่าถูกนะแต่จิตมันยังไม่ตั้งมั่นทีเดียวมันมีความซุมอยู่นิดนึงดูออกไหมครับเมื่อเช้านั่งสมาธิอย่าให้มันซุมนะสมาธิดีแต่ว่าอย่าตั้งเราซึมครับนะนิดนึงครับคือพพ่อมาด้วยครับอยากให้เนี่ยครับแล้วพ่ออยากหรือเปล่าเราเราอยากให้พ่อคืออยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําพ่อนิดนึงครับว่าได้ฟังซีดีไหมไม่ Ue, ฟังบ้างครับถ้าผมเปิดแล้วเปิดบ่อยๆสิถ้าพ่อแม่ลาคาญนะแต่ถ้าพ่อลำคานเราก็อย่าเพิ่งเปิดพ่อแม่สําคัญนะพ่อแม่เป็นพระของเราเนยอย่าไปล่วงเกินเนี่ยบางคนไปด่าพ่อแม่นะว่าทาไมโง่อย่างเลยสอนให้กรรมฐานให้ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมีนั่นแหละมันด่าว่าพ่อว่าแม่วไม่เอางั้นพ่อแม่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรครับผมกรรมฐานอยู่ในบ้านเรานั่นแหละไม่ต้องไปหาไกล หกสเปิดซ mm ีด hmm. ีไปสินะให้พ่อได้ยินไปเรื่อยฟังไปสบายใจตอนไหนลาคาญก็ปิดซนะถามดำําริสการค่ะหลวงพ่อก็มาครั้งแรกนี่หลวงพ่อบอกว่าเ อ, อติดเพลงแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดเยอะค่ะแล้วมาครั้งที่สองเมื่อหเดือนที่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าจิตสว่างขึ้นค่ะ mm hmm. อะมาครั้งนี้ก็ก็หลังจากนั้นก็รู้ mm hmm. ร, รู้ไปเรื่อยๆอค่ะ ทำในรูปแบบไหมทำบ้างค่ะทำด้วยอะไรล่ะชนั่งสมาธิอะค่ะเออนั่งแล้วเคลิมไหมหรือนั่งแล้วรู้สึกนั่งเราก็ถ้าใจมันลอยไปก็พยายามที่จะรู้ว่าใจมันไปแล้วถ้ามันไม่มีแรงจริงบางทีต้องช่วยภาวนาช่วยบริกรรมอะนะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธนะถ้าใจมันชอบหนีไปคิดถ้าใจมันหนีไปคิดเก่งๆบางทีดูไม่ทันเราพามันคิดเลยแค่มันคิดพุทโธเงี้ยพุทโธพุทโธ โอ้มีลูกเล็กๆเหรอทําทกรรมฐานง่าย <S <S 2> <S 2> ไปดูเลยลูกเราเนี่ยเห็นไหมทําใจเรากระชอกไปกระชอกมาได้ทั้งวันน่ะนะตามดูไปไปเลี้ยงลูกไปนั่นแหละทําทกรรมฐานนั่นแหละดีที่สุดเลยง่ายนะสังเกตียดไหมลูกเราเรารักที่สุดเลยแต่เราโมโหบ่อยรู้อบอกไหมเนี่ยเวลารู้สึกรักขึ้นมาก็รู้ทันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันดูไปเรื่อยๆงั้นเอาลูกเราทํากรรมฐานนะ อยู่กันทั้งวันสบายร้อยหกพันลวัสการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้ครั้งที่สองที่ส่งกันบ้านเคยส่งโมกราลาแล้วหลวงพ่อบอกว่าปัญญามันล้ำสติให้ไปเจริญปัญญาเยอะทีนี้ก็คือกลับไปก็ให้เจริญสติสิค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็คื อ, อรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันแล้วก็ คือไปไหนทำอะไรก็พยายามรู้สึกตัวกระดิกนิ้วพยักหน้า<ม>พูดก็รู้สึกตัว<ม>แล้วก็กลางคืนก็เนั่งนั่งสมาธิ<ม>แล้วทีนี้ผลที่เกิดก็คือว่าเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะคือคือมันมันละเอียดขึ้นว่าบางครั้งกิเลสมันปรุงในระดับลึกๆมันยังมมไม่แสดงออกมาเราเราก็รู้มันก่อนนั่นแหละดีแล้วก็ เ, เวลาหลับเวลาหลับเนี่ยมันก็ หลับแปลกๆอะค่ะ ม, มันเหมือนกับว่ามันหลับคนหลับไม่สนิทอะอ ม, มันเหมือนเราเป็นคนที่สามเราเห็นนะว่ากินเลดมันไหลเป็นสายน้ําเลยอะค่ะนั่นแหละ ด, ดีแเกิดจะตายกลางคืนนะยังไม่แปลกอบายเลย <c oughs> เห็นไหมล้วทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตอน่ยมันแนบมันเหมือนคือบางครั้งแค่แค่นึกเนี่ยเราก็เหมือน คือจิตมันแนบไปกับธรรมชาติะถ้าเหมือ น, อนกับว่าถ้าจักรวาล น, นี้คือธรรมชาติะจิตเราก็แนบอยู่ตรงนั้นนะคะให้รู้ทันนะอย่าไปยินดีกับมันสังเกตไม้มว่าตอนนี้พอเราเพิ่มสติขึ้นนะมันไม่ใช่ปัญญาล้ําไปอย่างแต่ ก, ออ ก, ก่อนดูออกไหมเมื่อก่อนดูออกที่ยังว่าปัญญาล้ําเป็นยังไงคมันจะฟุ้งไปเรื่อยๆไม่ได้เรื่องอะไรจริงหรอกนะมันคิดนําไปนะเนี่ยฝึกไปนะแล้วเห็นสภาวะไปเรื่อยอย่างนี้แหละดี สุดว้ายจะปฏิบัติกับหลวงพ่อค่ะถวายกับพระพุทธเจ้าก่อนนะอย่าลืมครูใหญ่นะหลวงพ่อครูเล็กต้องรักพระพุทธเจ้านะเบอร์ยี่สิบเจ็ดกรลมาสการหลวงพ่อค่ะหนูอยากให้หลวงพ่อให้การบ้านค่ะเลรอหนูจะทำไหมจะทำค่ะทำนะดูใจบ่อยๆสังเกตไหมใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยรู้สึกไหม บางวันตื่นขึ้นมาก็เซ็งเซงเป็นไหมเป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยค่ะนั่นแหละหวพ่อเขาว่ากันเลยนะใจมันเซ็งขึ้นมาก็รู้ทันนะวันนี้ตื่นขึ้นมาสดชื่นก็รู้ทันแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันพอดูเป็นวันวันได้แล้วก็ละเอียดขึ้นไปอีกในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันดูได้ยังค่ะดูได้มางเลยถ้าดูได้เช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันแล้วดูเป็นขณะขณะขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยน ขณะที่ได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่คิดความรู้สึกก็เปลี่ยนตัวนี้ดูได้ไหมขอดูได้มากค่นะสมว่ า, งสงสาเห็นแฟนเราเนี้ย <laughs> น่ารักดีนะรู้สึกรักความรู้สึกมันเปลี่ยน <laughs> <politic. S 1> ดูไปดูไปอ้าไปคุยกับคนอื่นแล้วโมโหแล้วนะค <c oughs> วามรู้สึกมันเปลี่ยนให้รู้ทันความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมันจะเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ เราคอยรู้ทำตัวเป็นแค่คนดูถึงจุดหนึ่งปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยความรู้สึกชนิดใดจะเกิดก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เกิดแล้วจะรักษาไว้ก็ไม่ได้จะไล่มันก็ไม่ไปถึงเวลามันก็ไปของมันเองนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆร8 5ยขอบคุณค่ะกราบานมรดกการหลวงพ่อค่ะดีใจมากวันนี้ที่ได้อ่ามากราบกราบหลวงพ่อถึงที่นี่ อยากทราบว่านี่ฟังซีดีของหลวงพ่อมาเกือบ2ปีอยากทราบว่าจิตได้สังเกตไหมล่ะจิตเราเหมือนเดิมไหมไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนน่าจิตมราเริ่มถอยตัวมาเป็นคนดูได้รู้สึกไหมค่ะนะฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยเห็นร่างกายก็ถูกรู้ความสุขทุกข์ก็ถูกรู้กิเลสก็ถูกรู้จิตเองก็เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดดูออกไหมค่ะนะทำในรูปแบบบ้างเปล่า ค่ะบ้างค่ะพยายามทําทุกวันนะค่ะแล้วฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันเพราะอยู่ไกลหลวงพ่อมากอยู่อยู่ที่อังกฤษค่ะแล้อยู่ไกลจริงค่ะวันนี้เลยมีเกิดปิติคะได้มาสการ่าหลวงพ่อถึงที่นี่ได้มากราบหลวงพ่อดูเอานะมีธรรมะเป็นที่พึ่งนะมีสติ มีสมาธิสติคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสมาธิคือความตั้งมั่นใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูดูอยู่ห่างๆแต่ระวังไม่ประคองใจให้ห่างนะถ้าประคองใจให้ตั้งมั่นประคองใจให้ห่างก็อันนี้บังคับมากไปนะ<ะ>รักษาจิตมากไปเบอร์ส<ะ>ิบแปดขับนมัสการครั บ, รรบหลวงพ่อเมื่อกี้นี้พอหลวงพ่อพูดว่า เบอร์สินี่เหมือนมีคนโซโล่กลองชุดอยู่ในใจฮะตุ้มๆๆๆๆเลยฮะแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้มาครั้งแรกครับควรได้นะตรวจการบ้านหน่อยใช่ได้พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆนะแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายใครรู้อะไรเกิดขึ้นในใจใครรู้ไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก็แบ่งเวลาไว้หน่อยนึงนะวันหนึ่งสักสินาทีหรือ15นาทีไม่ต้องเยอะหรอกว่ายพระสวดมนต์นั่งสมาธิไป เวลานั่งสมาธิก็ดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อยมันแอบไปคิดแล้วก็คอยรู้ถ้าฝึกอย่างนี้นะสติในชีวิตประจำวันมันจะเร็วนะแล้วมีอีกเรื่องที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้านี้ครับที่บอกว่าให้ดูแบบเป็นผู้ดูแล้วก็ปล่อยวางครแต่ทีนี้ว่าพอเห็นคนเขาว่าในหลวงอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ดูแล้วมัน มันรู้สึกว่าเราอยากจะต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับทก็ทํำดู<ม><ส>อย่างเดียว<ม>กลัวจะไ ม, ไม่ไหวอะไรเไงี้ยครับต้องแยกส่วนนะฮะในใจเราเนี่ยเราคอยรู้ทันพอรู้ทันแล้วกิเลสจะไม่ครอบงําอย่างโทสะไม่ครอบงําคราวนี้เหลือเหตุผลละนะสมควรทําอะไรนะเพื่อจะให้สังคมนี้อยู่ดีขึ้นอะไรเราก็ทําไม่ใช่แค่รู้แค่ดูดูหกตีนตายก็ไม่ใช่นะไออย่างนั้นมันอุเบกขาซื้อบื้อ เพียงแต่ว่าใจเราอย่าให้ถูกกิเลสครอบงำซะก่อนถ้ากิเลสครอบงาแล้วเราจะมีอัคตนะินี้พอเราไม่มีอัคตินะเราก็ดูด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราสมควรปกป้องในห่วงจะปกป้องยังไงให้พอเหมาะพอควรอย่างเงี้ยนะก็ดูเอาอ๋อครับบางทีปกป้องไม่เป็นนะคือการทําลายด้วยซ้าไปครับขนะับขอบพระคุณครับเบอร์สิ 18. อย่างบางคนนะลูกศิษย์หลวงพ่อเห็นคนด่าหลวงพ่ออยากปกป้องหลวงพ่อนะโดดไปดา่ากับเขาอย่างนี้เราถือว่าทําลายนะเ <laughs> ชิญกรรมธรรมสการ์ครับหลวงพ่อครับคือมีความรู้สึกกา ร, การปฏิบัติของผมในขณะนี้มันเหมือนติดลมอยู่ในอ่างครับคือเหมือนเหมือ น, นอะไรนะติดลมอ่ะ <laughs> ติดลมมันว น, นมันอยู่ในอ่างว่าเดี๋ยวบางวันก็ดีบางวันก็แย่บางวันก็กลางกกาแล้วก็วนอยู่เนี่ยแล้ ว, ลวเป็นกลางไหม เป็นกลางไหมรู้สึกไม่ค่อยยอมรับเท่าไหรครับนั่นแหละอยู่ตรงนั้นเองเราไม่ได้ภาวนาแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่มากมายหรอกนะเราภาวนาไปก็เห็นเลยทุกอย่างไม่คงที่เห็นไหมทุกอย่างไม่คงที่ครับใชนะ่เห็นไหมใจเราไม่เป็นกลางมีความอยากว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปจากนี้อีกเนี่เราภาวนาเราเรียนอยู่ตรงนี้เองนะซ้ําแล้วซ้ําอีกหลวงปู่ ม, มั่นเคยสอนนะหลวงพ่อไม่ทันท่านหรอกท่านสิ้นไปตั้งแต่ก่อนเราเกิดอีกอ่านหนังสือท่านบอกภาวนาเหมือนคนทํานานะ ทำอยู่ที่เดิมนั่นแหละไม่ได้ไปทำที่อื่นหรอกนะอย่างค้นคว้าพิจารณาอยู่ในกายพ้คนคว้าพิจารณาอยู่ในใจนก็มีอยู่เท่านี้เองนะแต่ทำไปเรื่อยทุกปีทุกปีทำไปเรื่อยนะก็วนอยู่ในนั้นแหละวนอยู่ในกายวนอยู่ในใจจะให้มันไปไหนมีคำแนะนำอย่างอื่นเพิเ่มเติมไหมครับหลวงพ่อ <c oughs> ดูใจที่ไม่เป็นกลางนะครับมีความ <c oughs> อยากอะม<อ><อ>ีความคาดหวังมีความอยากกิเลสตัวนี้ชื่อว่ากุกุจจะมารู้สึกว่าไอ้ที่ดีๆนั่นยังดีไม่เต็มที่นะ ที่ช่วก็ยังล้าไม่หมดยอะไรเงี้ย น, นะเป็นกุกขุ จ, จักบเบอร้อยสี่อยู่ข้างหลังนะกราบนมาส ก, การน้องพ่อครับก็มาหลายครั้งแต่ไม่ไม่มีโอกาสได้ถามครับน้องพ่อครับก็อยากเรียนถามว่าตอนนี้จิตผมตื่นหรือยังครับรู้สึกไหมล่ะจิตแต่ก่อนกับจิตเดี๋ยวนี้เหมือนกันไหมมาไม่เหมือนเดิมครับนะไม่เหมือนนะสัง เ, เกตไหมมันเบาขึ้น นะมันคล่องตัวขึ้นมันรู้สึกกายรู้สึกใจได้บ่อยขึ้นรู้สึกไหมรู้สึกครับนะกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันไหมรู้ครับนั่นแหละดีแล้วล่ะคอยฝึกรู้ไปใจที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ดูนั่นแหละนะมันจะเห็นทุกอย่างไหลมาไหลไปนะความสุขมาความสุขก็ไปทุกมาทุกไปกิเลสมากิเลสไปอย่ตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมทราบครับนะใจไหลไปเราคอยรู้ทันนะคือ ผมฝึกสมรรถมาครับอืแต่ก่อนก็จะไปอยู่นิ่งๆกระฌานออก็ต่อหลังระยะหลังนี้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมมันไม่เข้าฌานแต่มีความรู้สึกว่าสติมันไวขึ้นใช่แล้วเมื่อกี้สักครู่หลวงพ่อพูดครับเขเคเข้าใจว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งของสมาธิครับตอนนี้ก็เลยเหมือนหลวงพ่อต่อไว้ให้แล้วอก็จะมาถามคําถามนี้เหมือนกันแล้วก็จะให้ทํายังไงต่อไปครับอตอนที่ฝึกสมาธิแล้วมันตื่นนะครับ ก็ใจของเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเรื่อยไปนะแต่ถึงเวลาถ้าฟุ้งมากก็น้อมใจเข้าหาความสงบบ้างเช่นพุโทโธเร็วๆวใจจะหนีไปนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธนะแต่ไม่ได้บังคับจิตนะอย่างนี้มันก็จะสงบลงได้บ้างได้สมถะบ้างนะแต่ถ้ามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาใจก็เป็นผู้รู้ผู้ดูทรงตัวอยู่ด้วยสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ดูจเจริญปัญญาเรื่อยๆไปก็คือทําสมถะสลับกับทำวิปัสสนานั่นแหละ ร้อยหกสิบกรรมการสมัธนามีประโยชน์นะแต่ต้องทาให้เป็นอย่าไปทําสมัธาชนิดที่ทําให้โมหะมากขึ้นนะอ่าว่ามาเลยการนํามันต์การลงพ่อสักค่ะอืมาจากประเทศไหนล่ะวันนี้อ้าว่าไปหลวงพ่อเห็นว่าตื่นเต้นมากอ่ะอยากจะหาอะไรชวนคุยให้หายตื่นเต้นหน่อยหายยังพูดออกไม่เอ่ย พูดออกแล้่ ะ, ะพูดออกแล้วพูดมาตอนแรกแล้วฟังซีดีหลงพ่อแล้วไปทำรู้ลองไปทำรัวมันเห็นกายไม่ใช่เราเห็นกายไม่ใช่เรามันรู้สึ ก, กโกรธโกมันไม่ได้ทำต่อจ้ะค่ะทำสิอย่าไปกลัวมัน <c oughs> นั่นแหละทำเก่งถึงจะเห็นนะแลค่ะถ้าเห็นมากๆนะต่อไปไม่ยึดถือมันหรอกมันไม่กลัวแล้วต่อไปมันเป็นกลาง าานะพอเป็นกลางเราก็เห็นกายมันทํางานเหมือนเห็นคนอื่นเห็นใจทํางานเหมือนเห็นคนอื่นนะาามันเป็นของคนอื่นแล้วมันจะแก่เราก็ไม่ทุกข์นะคนอื่นแก่เราจะทุกข์เลยคนอื่นเจ็บเราไม่ทุกข์ใช่ไหมเราเห็นร่างกายนี้เหมือนคนอื่นเราก็ไม่ทุกข์กับมานอีกแล้วาาไปฝึกนะอย่าไปกลัวมันเบอเมื่อ60ค่ะนามัสการค่ะคือหนูได้ฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะแล้วก็เริ่มภาวนามาได้1เดือนนะคะ ก็ส่วนมากจะดูกายเป็นหลักอะค่ะเพราะว่ายังดูจิตไม่ค่อยออกทีนี้ก็เลยว่าอยากจะมาขอคำแนะนําจากหลวงพ่อค่ะว่าหนูได้ดูกายดูจิตเนี่ยตรงทางถูกต้องหรือยังคะถูกแล้วละดูบ่อยๆนะเเพ่งกดอะไรไว้มั่งหรือเปล่าดง่ายๆนะถ้าเพ่งถ้ากดเนี่ยใจจะแน่นๆหนักๆแน่นๆอย่างเวลาจงใจจะดูนะมันกลายเป็นเพ่งเวลาจงใจจะดูแลจะแน่นขึ้นมา เนี่ยใจลอยรู้จักไหมเออไปดูต่อนะพอดูได้แล้วละค่ะอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อด้วยอะค่ะใจลอยแล้วรู้นะเอฝึกตรงนี้ฝึกได้ทั้งวันแนหะเพราะคนเราใจลอยทั้งวันแล้วหนูต้องเพิ่มนี่รูปแบบเพิ่มมากขึ้นปะคะรูปแบบดีนะทําอะไรลนะ่ะ อ, อ่าพองยุบค่ะดูพองยุบไปเห็นร่างกายพองร่างกายยุบใจเป็นคนดูฝึกนี้นะค่ะใจเป็นคนดูแล้วใจหนีไปแล้วก็รู้ใจไปเพ่งท้องอยู่ก็รู้คะนะรู้ทันใจ ค, ค่ะขอบ่ก5ากรรมฐานอะไรก็ดีทั้งนั้นนะขอให้ทำเถอะนาม ส, ส ก, การหลวงพ่อครับ mm hmm. วันนี้เป็นครั้งแรกที่มาส่งการบ้านตั้งใจมากเลยครับ mm hmm. ก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามแนวที่หลวงพ่อสอนมาเกือบ1ปีนะครับ mm hmm. ตอนนี้วิธีปฏิบัติที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คืออะไรรู้ชัดในขณะที่ทำอยู่เช่นรู้กายชัดก็จะรู้กายรู้จิตชัดก็จะรู้จิต mm hmm. นะครับ แล้วก็ฝึกความเพียมวินัยแล้วก็ความสม่ำเสมอ<ช>มาก<ช>ขึ้นเรื่อยๆนะครับ อ, อยากจะให้หลวงพ่อเมตตาช่วยชีช้แน <ะ S 2> จุดใช่ไหมกำกำลังเรามีใช่ไหมแต่ไปนี้เวลารู้นะฝึกเพิ่มนิดหนึ่งเวลารู้เนี่ยอย่าให้จิตถลําลงไปรู้นะรู้ ร, รู้ดูห่างๆนะแต่ถ้าจิตถลําไปก็รู้ทันแต่ห่างๆอยู่ก็ไม่ประคองนะมันห่างมันเองนะไม่ประคองให้ห่างด้วยอย่างตอนนี้จิตไหลไปแล้วทราบไหม นะจิตไหลไปเราก็รู้ไม่ว่ามันนะไม่ดึงบางคนจะติดดึงนิดนึงถ้าดึงแล้วมันจะแข็งแบบมันจะแน่นครับนะคลายตรงที่ดึงมีวิธีที่จะช่วยทําให้คลายตรงส่วนนี้ได้บ้างไหมครับก็อย่าไปจงใจนะลดความจงใจลงทําตัวสบายๆนิดหนึง่งมีวินัยขยันจริงนะแต่ไม่ใช่ไปบังคับนะอย่าไปกดไปปล่อยจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ฝึกบ่อยๆนะ จิตถลำไปคิดรู้ทันนะจิตเป็นยังไงคอยรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆอย่างตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับนะแต่ไม่ดึงคืนของคุณเนี่ยพอรู้ว่าไหลไปแล้วจะดึงคืนนะให้ระวังตรงนี้แหละจะติดอย่างนี้มากเลยครับ เ, ออเข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอย่างนี้ถ้าดึงคืนนะจะแน่นถ้าดึงคืนนี่กลายเป็นสมถะไปแล้วในะขณะนั้นนะต้องปล่อยให้สบายสบายสบายไหลแล้วรู้รพอจะพอดีไหลแล้วรู้แล้วดึงคืนมาจะแน่นๆครับ แน่นๆแน่นๆเกินไปตึงเกินไปไหลไปเนี่ยหย่อนไปดึงกลับมาไว้เนี่ยตึงเกินไปทางสายกลางอยู่ที่ไหลแล้วรู้จะรู้ขณะที่รู้เนี่ยมันจะพอดีอยู่แล้วคุณสังเกตไหมขณะที่รู้เนี่ยยังไม่ได้ดึงมาตรงที่ดึงมาเนี่ยทำทีหลังนะทำด้วยโลภนะอยากจะเอาไว้อยากจะรู้สึกเนี่ยความโลภมันแทรกแล้วตัวนี้ไม่ใช่สติแล้วเป็นทําไปด้วยความโลภแล้วนั้นมันก็จะตึงอยู่กับโลภอยู่อย่างนั้นเองให้ไหลไปเรารู้ ขณะที่ไหลเนี่ยหย่อนไปนะขณะที่รู้เนี่ยเป็นทางสายกลางพอดีแล้วหลังจากนั้นความโลบแทรกกลัวจะไหลไปด้วยนะแล้วอยากให้มันตั้งด้วยก็เลยปิดดึงไว้ก็แน่นๆอันนี้เป็นผิดอีกอันนึงตึงเกิดไปไม่หย่อนไปก็ตึงไปเห็นไหมมันพอดีอยู่แค่วบเดียวที่รู้นั <36. S 2> ่นแหละเมื่อ36กราบนมัสการหลวงพ่อครับปฏิบัติ แนวที่หลวงพ่อสอนมาประมาณได้1ปีแล้วนะครับก็พบความเปลี่ยนแปลงของตัวเองครับคือตอนเริ่มปฏิบัติช่วงแรกๆนะครับมันปฏิบัติเพื่อความอยากที่จะเข้าถึงพระนิพพานนะครับแต่พอเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเริ่มมาสังเกตตัวเองว่าทําไมตัวเองปฏิบัติไปโดยที่ความอยากที่จะถึงพระนิพพานมันไม่มีอมก็เลยอยากสมาถามหลวงพ่อว้มันยังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าคือขยันปฏิบัตินะไม่ยอ่ทอท้อวางใจไว้อย่างนี้ว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไ ร, รนะถ้าตราบใดที่เรายัางคิดว่าปฏิบัติเพื่อเอาอะไรสักอย่างจะไม่มีทางได้เลยนะงั้นเราทําสม่ําเสมอไปถือว่านี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติเราก็ทําตามที่ท่านบอกบจะได้อะไรจะไม่ได้อะไรไม่สนใจเราขอให้ได้ปฏิบัตินะรักาษาศีลไว้ฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นไม่เลื่อนลอยไปนะคอยดูกายทํางานดูจิตทํางานอย่าเพ่งนะติดบังคับอยู่หน่อย ครับแล้วอย่างผมจะบางครั้งจะนั่งสมาธิครับบางครั้งนั่งสมาธิแล้วคือเมันก็จะมีคือจิตมันก็จะสว่างบ้างครับบางครั้งก็ลงไปมัวแบบมีโมหะออกมาเหมือนที่หลวงพ่อบอกครับแต่ส่วนเดินจงกรมเนี่ยครับมันก็จะบางครั้งก็จะไปหลงยาวบ้างหลงสั้นบ้างะครับจนมีวันหนึ่งแบบเดินจงกรมไปแล้วมันไปไปเห็นอะไรเข้าสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่สักพักหนึ่งหลังจากที่เหี่ยแลจิตมันก็ ปรุงขึ้นมาข้างในเราก็เห็นอาการปรุงมันมขึ้นมาอย่างเงี้ยครับถูกแล้วขณะที่เห็นยังไม่ได้ปรุงนะโคลาขนาดกันคนั่นแหละเป็นเรื่องของวิธีจิตในขณะที่ตาเห็นเนี่ยมันจะส่งสัญญาณให้มันที่ใจก่อนแล้วมีการตีความนะการให้ค่าแนละถึงจะเกิดความรู้สึกขึ้นนะนั่นแหละกระ บ, บวนการทํางานของมันหลวงพ่อมีอะไรแนะนำผมไหมครับสังเกตไหมตรงที่มันรู้มันก็รู้เองอ ตรงที่มันวินิจฉัยพิจารณาอารมณ์มันก็พี่ในรตรงที่มันตัดสินอารมณ์ว่าเป็นอันนี้ถูกอันนี้ผิดมันให้ค่าของมันเองรตรงที่เกิดความรู้สึกมันเกิดของมันเอง น, นั่นมันกำลังสอนธรรมะเราอยู่นะถ้าดูเป็นแล้วก็สภาวะทั้งหลายสอนไจ ล, ลักอยู่ตลอดเวลาล้วนะเบอร์หกสิบห้าขอบคุณครับอยู่ข้างหลังข้างหลังใกล้หมดละใกล้หมดละ <c oughs> หลายคนอยากกลับเต็มจีแล้วกา <c oughs> บ น, นมรดกการหลวงพ่อครับคือตอนนี้จิตฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงฮะรู้สึกโล่งๆว่างๆครับก็เลยจะขอความแนะนาจากหลวงพ่อครับว่าช่วงนี้ควรภาวนาอย่างไรรู้สึกกลบ่อยๆนะครับเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกกลไปจิตจะได้มีแรงขึ้น <c oughs> ดูจิตอย่างเดียวนะมีข้อเสียนะ <c oughs> ดูจิตอย่างเดียวนี้ถ้าสมัคิที่หนุนหลังอยู่ไม่พอจะโล่งๆลอยๆไม่มีอะไรให้ดูบางทีดูเออๆไปเลย นะมาดูกายจะได้แรงขึ้นดูกายอย่างเดียวนะกลายเป็นเพ่งกายก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วนะก็รู้ทันจิตอีกปัจจุบั น, ะนใช้วิธีเดินจงกรมอยู่ครับได้ไดเดินจงกรมมันก็คือเคลื่อนไหวกายนะกวาดบ้านกวาดบ้านบางทีดีกว่าเดินจงกรมอีกการนะเดินจงกรมมันจะซ้ำซากนะกวาดบ้านมันเดียนนเด๋ยวตรงนั่นเดี๋ยวตรงนี้แล้วค่อยรู้สึกเอาเบอร่สิบอยู่ข้างหน้าข้างหน้ากราบสมศักดสิทธิ์ครับหลวงพ่อ อ่ากังวลมากเลยครับไิตกกังวลตลอดเวลาคราวทแล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าอยากมากเกินไปครับอก็กลับไปดูเห็นทุกครั้งที่ทําทุกที่ภาวนาครับมันจะเกิดความอยากแทรกขึ้นมาตลอดเวลาครับดีที่เห็นนะหลวงพ่อไม่ได้ใส่ร้ายใช่ไหมไม่ได้ใส่ร้ายขณะนี้จิตไม่ค่อยตั้งมั่นครับเหมือนกับกําลังกําลังจิตมันมันหายไปมันถดถอยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเมื่อช่วงช่วงช่วงที่แล้วนี่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายมากครับจิตมันเกิดความเบื่อหน่ายมากแล้วก็เห็นความเบื่อหน่ายก็พิจารณาความเบื่อหน่ายก็ดับไปครับอืก็จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาอืแต่ไม่รู้เป็นไงอาทิตย์นี้มันมันเสื่อมไปไปเลยไปเสื่อมไปเองนะครับแการภาวนานะไม่ได้เจริญรวดหรอกครูบาอาจารย์เคยสอนนะรู้สึกอาจารย์สิงทองใช่ไหมฮะบอกธรรมชาติของจิตเนี่ยเจริญแล้วเสื่อม ทังๆ ท, ที่เราก็ภาวนาสม่ำเสมอนะมันยังเสื่อมให้ดูได้เลยมันกําลังสอนธรรมะเรานะว่าบังคับไม่ได้นะงั้นเราก็เรียนธรรมะไปด้วยความอ่อนน้อมมันเสื่อมเราก็แค่รู้นะอย่าไปเกลียดมันนะเขากำลังสอนเรานะมันจเจริญขึ้นมาก็อย่าไปหลงดีใจกับมันนะเขาก็สอนเราถ้าเราหลงดีใจเราก็เสียท่าพอเสื่อมเราหลงเสียใจเราก็เสียท่าอีกนะมันเท่าเทียมกันเขาคุดฝึกได้ดีนะ จิตของคุณนะมีกำลังมากสมาธิดีนะฝึกไปเรื่อยดีแล้วละ่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็รู้แปดสิทธนะรู้ไห ม, มเสื่อมก็รู้ไม่ชอบเลยที่เสื่อมก็รารู้นะรู้ในที่สุดจะรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางนะแต่อย่าไปกดจิตให้นิ่งนะกดเริ่มกดละนะมันกดของมันเองครับให้รู้ทันครับ ถ้ารู้ทันแล้วมันจะคลายจิตก็เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้รู้ผู้เพ่งผู้เคร่งเครียดนะจิตที่เป็นผู้รู้ต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูออกไหมไม่ใช่ผู้รู้ผู้เพ่งแล้วก็ผู้เคร่งเครียดเมืร์ห้่อ่ะครับการนมัสการครับพอดีช่วงนี้ผมมีโมหะค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนําว่าวิธีการดูโมหะ คือบางทีมันหลงไมทั้งวันสังเกตไหมจิตอ๋อถ้าโมหะประเภทหลงนะต้องช่วยกระตุ้นมานิดนึงนะหาเครื่องอยู่ให้จิตเช่น อ, อยู่กับพุทโธอยู่อะไรเงี้ยจิตหนีจิตทิ้งพุทโธไปเราจะได้รู้เร็วๆไม่หลงนานคือมันจะไปรู้ช่วงแบบมีโทสะแรงๆอางเงี้ยอันั้นมันเปลี่ยนอารมณ์ละแต่ตพอเป็นโมหะนี้เขาจะดูไม่ค่อยออกช่วยบริกรรมหน่อยนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอ่ะจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้นะคอยรู้สึกไป แล้วก็พอจิตมันลืมพุทโธลืมลมหายใจเนี่แสดงว่ามันหนีปแนละ้วถ้าเรามีเครื่องอยู่เนี่ยจะไม่หนีนานนะตัวนี้สําคัญนะแต่ละคนต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตถ้าจิตไม่มีบ้านอยู่จิตหนีไปเที่ยวนานเลยถ้าจิตมีบ้านอยู่นะจิตมันกลัวแม่บ้านรุ่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาบ้านนะครับครับขอบคุณครับเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งที่คุณภาวนาอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วนะดูออกไหมนี่ภาวนาไป แบบนวัตการพระอาจารย์ที่เคารพครับมาไกลครับมาจากมุกดาหารโออยู่ไกลๆวัดหลวงปู่ล่าครับนั่นแหละเมื่อก่อนหลวงพ่อยังต้องไปเรียนที่มุกดาหารเลยครับแล้วโยมได้เรียนกับท่านไหมไม่ไม่เคยครับราก็อยู่กับใกล้ๆวัดหลวงปู่ล่าแต่ว่าไม่ทันหลวงปู่ครับเพราะว่ามัวไปหลงเลเรงโลกีอยู่ครับมัวไปทําอะไรนะไปหลงโลกีอยู่ครับอ๋อ ครับผมก็ออกมาตอนนี <dans S 1> ้อายุหกสิบครับเกษียณอายุมาก็ปฏิบัติธรรมมาประมาณสี่หปีสี่ห้ปีก็จริงจังมาก็ประมาณสามปีมาที่นี่ประมาณสามปีครับก็ประมาณปีละหนึนะครับมีปัญหาเรื่องเสียงเพราะว่าป่วยเป็นมะเร็งโพงจมูกนะครับก็อยากจะกราบนมัสการถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งซึ่งผมปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ปฏิบัติ แบบดูนามแล้วก็ไปดูรูปนะครับดูแบบคาเขากันโดยโดยโดยตอนแรกเนี่ยจะไปไปดูว่าจิตคิดอืตามดูจิตว่าเมื่อจิตคิดรู้ว่าจิตคิดและจิต ด, ดับอจิต ด, ดับแล้วผมก็ไปดูดูดูรูป ด, ดูรูปลักษณะว่าพิจารณาธาสีพิจรณาธาสีเมื่อครบธาตุสีแล้วก็น้อมลงไปใส่ไอ้ไตลักษ์ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ได้เมื่อจบอย่างนี้แล้ว มันก็จะเป็นลักษณะว่างอยู่อว่างอยู่จนกว่าเมื่อจิตลงไปเมื่อจิตลงไปอีกก็ตามถี่ขึ้นมาแล้วก็มากลับมามาปฏิบัติอย่างนี้ฝึกอย่างนี้แหละครับไม่ไม่ทราบว่าถูกแล้วถูกทางถูกนะแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องยมฝึกอย่างนี้แล้วดียอมก็ฝึกอย่างนี้แหละครับดูกายไปพิีรณานะพอหมดกายมันก็จะว่างพาว่างเราก็รู้อยู่นะแต่เราไม่ประคองความว่างเราก็จะเห็นอีกว่างก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไม่ว่างอีกแล้วนะ ทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างเกิดแล้วดับเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันหมดเลยกระทั่งว่างก็เป็นไตรลักษณ์นะหลวงปู่ล่าสอนดีนะบอกว่าผู้รู้ไม่ใช่นิพพานนะเราเป็นนึกว่าจิตที่ว่างรู้ตัวอยู่เนี่ยเป็นนิพพานท่านสอนดักหน้าไวนะ้เลยผู้รู้ไม่ใช่นิพพานฟากนิพพานพ้นนิพพานไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆไม่ใช่ของจริง ดัง น, นั้นว่างว่า ง, างตัวนี้เป็นว่างอีกชนิดหนึง่งไม่ใช่ไม่ใช่นิพพานนะัเราดูอีกว่างอันนี้ยังแปรปรวนอีกเดีนะ๋ยวก็ไม่ว่างอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมจิตไปคิดเราก็รู้ทันจิตว่างขึ้นมาก็รู้ทันนะไม่มีอะไรดูก็ดูลงในกายพิจารณาลงในกายดีนะภาวนาผ ม, ผมหลังจากที่พิจารณามาแล้วนี่ไอ้ความถี่ของการภาวนาเนี่ยมันก็จะถี่ขึ้นถี่ขึ้นแปลว่าพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นผดีนะ ที่ยอมฝึกนะถูกเป๊ะเลยจิตเดินถูกเป๊ะเลยครับผมถ้า ง, งั้นผมมีมีโอกาสวาสนาจะเห็นธรรมในชาตินี้นะครับ <c oughs> เอาเราทำเอาเราก็เห็นสิ <c oughs> เราก็เห็นอยู่แล้วนี่นะธรรมะรูประธรร ม, มานามประธรรมาเราเห็นทั้งวันอยู่แล้ว <c oughs> <นะ S 1> สาธุครับเช่นกลับบ้านไป